พระธรรมะเทศนาของท่านโลกโงปู่นั่นลศักด์ขีนาเลวตอโลกไม่ชั้นทำไม่โปรต์เอาไปถาบ ม, มาไม่ยีก่อนได้ราบไม่ทีมาจะไม่มีปัญหามาถามเอาได้ยังเออได้แล้ว่ะไม่ทีฟองใสดีนะดีดีดีดีดมากไม่ชี อยู่ไหนเนี่ยบริเจ้าค่ะอือออเาะไม่เพราะว่าไม่ไม่ดูดะไมไม่เสียงเน่ยไม่ลุดเพาว้ใกล้ๆก็ได้ยินข่าวพระมกับพระยามากับอามากันบริเจ้าค่ะอืออออมีอะไรไหมไม่ดีก็ฟ่องายที่อยู่แล้วนะไม่ไม่มีอะไรแล้ค่ะแต่อยากมกับโอสาธุสาธุเรายังไม่เคยได้มาเลยเจ้าค่ะอือผ่างดีแล้วล่ะไม่มีอะ่ะ อยู่ไหนอยู่คือบางทีเยาก็ไปตามสถานที่่าหรับว like ja ัดบ้าอะไรเี้ยอ๋ออะไรา้อะไรเี้ยอืแล yep> ้วแต่โอกาสที่ที่เราก็จะไปได้ม่ไม่ชื่ออะไรนะน้ำทิพย์ แผ่นแผ่นอธิษฐานไม่ชี้เคยเห็นไหมไม่ชีต้องถอนเหมือนนะ <Okay. S 1> ต้องถอนต้องถอนอธิษฐานที่ติดมาอืมถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันต้องถอนต้องถอนใจใจของมัจชีเองอ่ะถ้าปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันต้องถอนใชการปฏิบัติแทบจะไม่ติดขัดอะไรอเลยนะเดี๋ยวติดตรงนี้แค่นั้นเองทาไมถอน กรรมสิบแปก็ก็รู้หมดแล้วเห็นหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรอะ่ะก็ถูกต้องหมดไม่มีอะไรผิดเดียวแต่แค่ถอนที่ใจแค่ น, นั้นเนี่ยไม่ปรารถนาตามใครไปไม่ปรารถนาสร้างบารมีไม่ปรารถนาตามใครไปเพื่อสร้างบารมีถอนที่ใจจิตใจถอนที่ใจตัดที่ใจ ความปรารถนาจ ะ, จะไปสร้างบารมีต่อหรือความปรารถนาที่จะตามใครไปสร้างบารมีซึ่งมันติดมาอันยานานไกลโพ้ดนด้นะแล้วก็ถอนมันเสียในปัจจุบันนะอืมแต่มันก็จะช่วยคนได้เยอะกว่าแล้วมันติดไปมันก็ เราก็จะงงๆงงเนื้อแนอมันก็งงๆทำให้จะช่วยคนอืน่นก็เลยช่วยไม่ค่อยได้รับคล้องไปหมดมถอนความปรารถนาที่จะไปต่อถ้ามันจบในปัจจุบันแล้วจะด้วยช่วยผู้อื่นได้เยอะผู้หญิงเนี่ยเป็นทุกข์มากในโลกเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงได้ชัดเจนอะเรื่องของผู้หญิงนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เราแม่เธอจะสอนยังไงก็ขอหลังไม่เลยมาร้องไห้อยู่เลยเดี๋ยวสอนจบแล้วอธิบายกี่วันกี่วันเดี๋ยวก็มาขอหลังไม่ร้องไห้อยู่เลยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจผู้หญิงเราว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะแม่ชีถ้าแม่ชีข้ามพ้นแม่ชีจะช่วยผู้หญิงได้เยอะเออเราช่วยไม่ไหวละผู้หญิงเ่ยเยอะมากแล้วก็ หลายที่หลายท า, ง ม, ามทงมีแต่ความทุกข์ผู้หญิงเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์แล้วก็เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงตัดไม่ขาดตัดนู่นตัดน ύ, ีดด่ไม่ขาดเพือย่างเดียวตัดครอบครัวไม่ขาดตัดลูกไม่ขาดไม่ใช่ว่าตัดแล้วให้หนีไปบวชนะมันถึงตัดในแต่ในปัจจุบันเราแต่อยู่ด้วยกันนะเนีตัดใจในปัจจุบันตัด ให้เกาะเกี่ยววัวพันจบพบจบชาติต่อกันในปัจจุบันอยู่ด้วยกันแต่ใจเนี่ยหยิบแต่ความปรารถนาให้คู่ครองใน้พ้นจากทุกตัวเราก็ปรารถนาความพ้นทุกปรารถนาให้คู่ครองใน้พ้นทุกปรารถนาให้ลูกหลานได้พ้นทุกปรารถนาให้ครอบครัวได้พ้นทุกเราก็ปรารถนาความพ้นทุกแต่มันกลายเป็นความรักเพราะความไข่การแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้ามีความรักเป็นความใคร่เนี่ยมันจะเป็นแสดงความเป็นเจ้าของมีความเป็นเจ้าของมันมีความเป็นเจ้าของปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ปฏิบัติไม่ได้มันต้องเป็นความรักที่ปฎิฐานให้พ้นทุกเราก็ปฎิฐานความพ้นทุกปฎิฐานให้ผู้ครองพ้นทุกปฎิฐานให้ลูกหลานในพ้นทุกพ่อแม่พี่น้องในพ้นทุกคนอื่นในพ้นทุกเพื่อรวมโลกในพ้นทุกอันเนี้ยมันเป็นความรักมันยิ่งใหญ่เพราะมันปฎิฐานให้ทุกคนพ้นทุกหมด ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่ความรักของผู้หญิงต่วนใหญมันเป็นเจ้าของเอาไว้คนเดียวเราก็ไม่เข้าใจเราก็สอนมานานแต่เราไม่สามารถที่จะสอนผู้หญิงให้เข้าใจตรงนี้ได้เราตัต้งแต่เป็นคลราวาดแล้วเราก็มีครอบครัวเหมือนกับหลายคน แต่เราก็ปฏิปบัติได้ตั้งแต่เราเป็นคารวาสไม่มีใครอยู่ในใจเลยแต่เราอยู่กันอย่างเพื่อนเรามีครอบครัวก็จริงแต่อยู่กันอย่างเพื่อนเมื่อเราตกลงกันแล้วว่าเออเราจะปรารถนาความพ้นทุกข์ด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กันอย่างเพื่อนราเว้นการกิจละเว้นการร่วมประเวณีราเว้นการทำให้น้ามัสุจิเคื่อน และตางคนต่างก็งมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ช่วยเหลือการปฏิบัติได้ทำความเพียรมื่อเย็นไม่กินกลับมาทํางานกลับมาจับที่ทํางานก็เดินจงกลมทําความเพียรเดินจมกลมมันข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอนแล้วก็กลับไปทํางานกลับไปทํางานแล้วก็กลับมามืดก็ตกลงกันว่าเออฉันจะทําความเพียรกินข้าวมันอิ่มมันทําให้ง่วงปฏิบัติยาก แต่ครั้นฉันจะไปออยู่ในป่าอย่างเดียวเลิกงานแล้วกลับไปอยู่ในป่าอย่างเดียวก็อไหนๆก็สร้างครอบครัวมาแล้วมีมีลูกมีครอบครัวแล้วก็จะทําให้ไม่ดูแลและผิดชอบจะทําให้เขาเนี่ย ว, ว, ว้าเองทิ้งไปเรายัางนี้ก็เดินจงโกมันข้ามบ้านอย่างนั้นมัต้องไปไหนล่ะเดินมันต้องวันต้องคื น, น่เนี่ยเราก็พิจารณาของเราไป พี่าณาความไม่เที่ยงพจรณาความตายพิจรณาความน่าปล่อยผู้พังความดับสลายความสิ้นไปไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนทั้งตัวเราัภรรยาอดีตภรรยาทั้งลูกทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่สุดก็ดับเป็นหมดสิ่นแล้วก็พิจารณาอยู่เน่นทั้งวันน้ำคืนเนยะไม่ได้สนใจหรอกเรื่องครอบครัวแต่เพียงแต่เดินที้เขาเห็นนี่เฉยเราแต่เราก็ภายในเราพี่าณาไปคือประโยชน์เราก็ทําคือไม่ไม่ได้ทอดทิ้งเขาไป ให้เขาได้เห็นว่าเราอยู่เดินอยู่ข้างบ้านเขาก็สบายใจแล้วแต่ส่วนเราก็พิจารณาของเราไปแต่เรื่องความตายความตายทั้งวันทั้งคืนเขาเย็นไม่กินแล้วเราก็เอาล่ะกลับมาแล้วไปพูดคุยก็หน่อยมีจุละอะไรไหมคุยกับลูกคุยกับอดีตปรรยาหน่อยเพื่อปลอบใจเขาเนี่ยมีความสุขใจสบายใจแล้วก็ออกเดินจงกรมนะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยเราไม่ค่อยกุ๊กคีหมู่มนะ ไปบ้างนกนสังคมบ้างมีโอกาสเราก็ลบไปเลยสำรวมยินสีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปดูนั้นดูละครฟังเพลงไปไปดูอะไรทำให้กิเลสไม่เข้ามาสู่ใจมีความเพียรอย่างสม่าเสมอจิตใจไม่หมกมุ่นในเรื่องโลกโลกทำงานก็ทำไปแต่ใจก็แอบพิจารณาอยู่ตลอดถึงความตาย เกิดก็เพื่อตายมีทุกอย่างก็เพื่อพัดาพาบพบกันก็เพื่อจากไม่รู้จะยึดกันไปทําไมแต่ในชาติที่มันาเจอกันเสร็จแล้วมาสร้างโลกไปแล้วสร้างรูปสร้างครอบครัวไว้ไแล้วเรียกว่าสร้างโลกไว้แล้วเอามาสร้างไว้แล้วก็ต้องรับผิดชอบก็เดิมนี้ก็เห็นอยู่นี่เนะี่แต่เราก็พิจารณาไปเราก็พิจารณาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนนะบางทพีพิจารณาจนถึง วเวลาวันศุกร์นี่ก็พิจารณาอยู่จนกระทั่งเออ <c oughs> มันข้ามคืนข้ามวันเราไม่สนใจอะ่ะมันจะกี่วันกี่คืนเราก็เดินอยู่นั่นแหละเราแทบไม่ค่อยได้นั่งนะไอ้นั่งนิ่งนิ่งเนี่ยไม่จทบไม่เคยนั่งเลยมีแต่เดินมาทั้งวันทั้งคืนพิจารณาแต่ความตายความพัดภาคตัวเราก็ต้องที่สุดก็ต้องแตกดับสลายหายไปหมดประดิษฐภรรยาเราลูกก็ต้องตายไปหมดลูกเราบางคนก็ตายไปก่อนแล้ว อุ่ยาตา ย, ายายพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอาก็ล้วนตายหมดก่อนตายท่านก็มีความกลัวตายทุลนทุรายดิ้นรนกระเสือกกระสนร้องขอความช่วยเหลือกลัวตายกลัวตายกลัวตายแมกยก่กลัวตายลุงพ่าหน้าอากลัวตายกลัวตายมิแต่ร้องกระเสือกกระสนกลัวตายทุกคนก็กลัวตายแต่ที่สุดก็เห็นคนตายตายทุกคน่ตายกันไปทุกคนเวลาตายแล้วหลังกาย ตอนก่อนตายมันก็มีสภาพดีพอตายใหม่ๆเขายังสดอยู่แต่แต่ละคนไปรับมาจากห้องดับจิตโรงพยาบาลก็ไม่เขียวไม่หมหดเราสละสังเวชมากโดยเฉพาะเวลาเอาศพไปส่งศพของลูกที่ตายโดยรถชนตายเอาไปส่งที่ห้องดับจิตให้ดิ้นชับในห้องดับจิตมันคงจะไม่พอได้ไงม่ทราบศพก็วางไว้บนพื้นดา่าตื่นเดินต้องเรียกไปเรียงมา แล้วเขก็เปิดไปสีแดงๆสลัวๆในห้องดับจิตโรงพาบาลมีแต่ศพเต็มไปหมดเลยศพผู้หญิงผู้ชายศพเด็กอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตายแต่ลูกเราเท่านั้นเน่ะโอ้โหท่นทุกคนในโลกนี่มันก็ต้องตายเราเดินเข้าไปเห็นศพเขียวๆเต็มไปหมดเลยขนาดอยู่ในห้องดับจิตที่มีมีเ ย, ย็นๆเลยนะมันก็รักษาไว้ไม่ได้นะพอออกมาไปรับศพ อ, ออกมามันเขียวไปหมดเลยปุ๊มันตัวมันเขียวไปหมดอ่ะ ที่เขียวไปหมดเลยโดยเฉพา ะ, ะลูกสาเราที่ถูกลดชนมันมันนี่จนตายเนี่ยมันเส้นเลือดมันขาดเวลาวก็ฉีดอะไรละ่ะบรมารีมันก็เจอฉีดไม่เข้าเพราะว่าเส้นเลือดเป็นขาดมาแล้วมันก็เลยศพมีสภาพที่เขียวไปหมดเล ย, แ ล, เลยแล้วเน่าด้วยเราเห็นแล้วมันสลบสองเวท เห็นถึงความทุกข์ยากของของตัวเราและเห็นถึงความทุกข์ยากของคนอื่นที่เกิดมามีความรักความผูกพันต่อกันแล้วมีความทุกข์ยากมีความทุกข์ยากจริงๆเราก็ทุกข์ยากลําบากเราจะไม่อยากเกิดอีกแล้วเราเห็นว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆเกิดก็เพื่อตาย มีทุกอย่างก็เพื่อพัดภาาตัวจากไปพบกันก็เพื่อพัดภาาจริงๆไม่ทุกอยู่อย่างเดียวคือความไม่เกิดถ้าเกิดแล้วย่อมมีทุกเป็นธรรมดาไม่เกิดนั่นแหละจึงจะไม่ทุกเราจึงไม่ปรารถนาความเกิดอีกเราก็พิจารณานึกถึงทุกคนที่เรารู้จักคนมา ก, ก่อนเราก็ตายจากเราไปหมด คนมาที่หลังเราคือลูกเราก็ตายหลานซึ่งเป็นลูกของน้องสาวอดิตภรรยาเราก็ตายแต่อยู่ยังน้อยอายุ14ตายแล้วล้มลงไปก็ตายเลยเขาเรียกอะไรโลกไฟช็อตในตัวไงไม่ทราบก็ตายไปง่ายๆเราเห็นว่า ชีวิตมันไม่มีแก่นสารสาระจริงๆที่จะปล่อยให้มันปะ่าละเลยปล่อยปะาละเลยให้มันอยู่เพลิดเพลินจเจริญใจไปวันวันหนึง่งเดี๋ยวก็ต้องเกิดหใหม่มหม่เป็นทุกอีกชีวิตนั้นมันสั้นนักอะเวลามันสั้นไม่ทำทําอะไรก็ตายแล้วแต่มัวแต่เพลิดเพลินจเจริญใจก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็นอยู่ไปยังไงเดี๋ยวตายแล้วก็ต้องเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก ตกอบายเป็นส่วนใหญ่น้อยนักที่จะกลับมาเป็นคนอีกยากดูเจ้าตัดว่ายากที่สุดในโลกกานจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกแต่ชีวิตก็ปล่อยให้ประมาทพลาดพั้งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติพาตนให้รอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเนี่ยเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราเห็นว่ามมีแต่ความทุกข์ ตอนที่ลูกโดยรถจนตายเรานอนร้องไห้ทั้งคืนจกิดเป็สว่างเลยไม่หลับเลยเราเห็นความทุกข์จริงๆเนี่ยเราก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจริงๆเรามีแต่เดินพิจารณาถึงแต่ความตายความเน่าเปื่อยปูุพางความพัดภาาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเราไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยเรามีครอบครัวแต่เราปฏิบัติได้ตั้งแต่เรามีครอบครัวนะ ใจเราปล่อยวางวางมันไปวางมันไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ขาดสายจนการพิจารณากับใจของเราไม่เคยพ่าจากกันเลยไม่ว่ากายเราจะทํางานอะไรไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเข้าขห้องน้ําห้องส้วมร่างกายทํางานอะไรก็ตามใจของเราไม่เคยผ่าจากการพิจารณาภายในเลยเรื่องความตายเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องความทุกข์ความพภาพ เราไม่ไม่ภาคไปเลยในใจของเราในสิ่งนั้นไม่ได้ภาคไปจากใจเราใจเักไม่ได้ภาคไปจากความตายไม่ได้ภาคจากความความทุกข์ความไม่เที่ยงเลยจนจิตมันแนวรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับความตายความทุกข์ความผัดภากความไม่เที่ยงจิตมันก็รับแบกน้ำหนักของความจริงไม่ไหวมันก็วางบ้มลงไปนั่นแหละ แ้วคั้นเรามาสอนคนทั้งหลายว่ามันทุกข์มันทุกข์จะไปยึดกันเลยจะไปยึดกันเลยส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะยึดมากเอผู้หญิงเนะ่ยยึดมากผู้ชายก็ไม่ค่อยยึดหรอกเพราะว่าผู้ชายพอผู้หญิงตายผู้ชายก็มีเมียใหม่ทันทีอืแล้วไม่เคยเราสอนมา20กว่าปีสอนมา20ปีตั้งแต่ปี40นี่ปี5 59แล้วที่เปิดสอนเปนทางการ เราสอนกันแต่ปีตรงพ้สสิบที่เปิดเป็นทางการมาแบบเนี้ยเป็นเวลายี่กนี่เป็นปีห้าเก้าแล้วเกือบ2ี่สิบปีเราไม่เคยเห็นผู้ชายสักคนที่ร้องไห้โ้ยหาถึงผู้หญิงแต่เรามาสอนในแต่ละที่มีแต่ผู้หญิงมาขอหลังไม้เดี๋ยวอาจารย์ขอหลังไม้เนี่ยเขามาพบพบปิดเสียงไม้แล้วเขามา นางครังหน้าแหละพอพูดความในใจร้องห่มร้องไห้ถึงสามีกันเป็นแถวเป็นแนวเราเลยเออเราไม่รู้จะสอนอยังไงไห ม, มเพราะว่ามีแต่ความลับมีแต่ความหลงหลงลูกหลงหลานหลงครอบครัวลูกหลานติดยาเสพ ต, ติดติดคุกติดตารางร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นเนี่จะสอนอยังไงก็ไม่ไป ย, ยังไง สอนอยังไงก็ไม่ไปยังไงเราก็สงสารมากเลยไม่รู้จะสอนอย่างไงเราพยายามจะพูดแง่มุมต่างๆมาหลายปีทั้งแง่มุมนั้นแง่มุมนี้แต่ก็ไม่เข้าใจผู้หญิงจริงๆเออมิเมชีดูแล้วปฏิบัติได้ดีมากเลยติดอยู่นิดเดียวใจมันยังอธิษฐานที่จะ ส่างบารมีตามผู้อื่นไปสร้างบารมีตอบถ้าวางตรงนี้ได้ไม่ไปไหนแนละ้วมันทุกข์มากเลยจะไปไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยจะตามใครไปก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่เอาแล้วล้วก็ปล่อยวางลงตรงนี้เดี๋ยวเนี้ในใจของเราไม่ไปไหนทั้งหมดเนี่ยมันก็แทไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยแล้วดูแลวความลูกเห็นเขากใจเขาไม่ผิด จะได้ช่วยเราได้เยอะมากเลยช่วยผู้หญิงได้เยอะเออเราจะได้ไปช่วยสอนผู้หญิงเราก็จะเล่เออสบายไม่ต้องผู้หญิงมานั่งขอรังไหม่ขอรังไหม่พอพูดจบแล้วมาขอรังไหม่เยอๆอาจารย์เออแมมัน เ, ออเดี๋ยวมาขอลังไหม่เราก็เกลผู้หญิงมานั่งร้องไห้กันเยอะๆนี่พูดไม่ถูกไม่รู้ทําไงไหต้องเรียกคนลหลายมาช่วยฟังหน่อยที่เป็นปัญหาผู้หญิงเนี่ยโอ้ยเราก็ยอมแพ้จริงๆพูดอย่างไงก็ไม่รู้จะแก้อย่างไง เราพยายามพูดแงมูล ต, ต่างเขาก็ไม่ฟังะนะบางทีปฏิบัติได้ก็จะเข้าใจว่าโ อ, อกผู้หญิงนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันช่วยหน่อยอช่วยช่วยเราหน่อยช่วยโลกช่วยสงสารเลยนั่นแหละเราก็นโนทนาด้วยใปนปฏิบัติไม่มีแหละมีตเปิดใจจริงๆแลควคงจะ อือื อ, อถ้าเปิดใจจริงๆก็น่าจะไม่ไม่ติดไม่ไม่ขัดอะไรจะจะวางทุกอย่างลงไปนั่นเ อ, องความเป็นกำลังสำคัญของผู้ดนศาสนาทำประโยชน์ตรปรนตรประโยชน์ท่านให้รัฐบาลทิพั่านในปัจจุบันช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสงสารอะไรผมทราบว่าคุณแม่ชีมีอาการป่วยหลายอย่างครับทั้ง เก็ดเลือดต่าแล้วก็มีอาการทางกายเยอะครับไม่ทราบเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างไหมครับก็เราอธิษฐานถอนหมดแล้วก็ก็อธิษฐานว่าชีวิตที่เหลือจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมืประโยชน์ตนเสร็จแล้วก็จะทำประโยชน์ท่านช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ก็อธิษฐานทับไป ต้องปล่อยางหมดก่อนถ้าไปฝืนๆไว้มันก็นี่แนะมันทําให้เป็นอย่างนี้แนะ่เพราะว่าเขาไม่ให้ฝืนถ้าเราจะฝืนอีกฝืนต่อมันก็ทําให้เป็นอย่างนี้แนะ่ถ้าเราวางหมดแล้วก็ทับไปเขาจะเอาไปก็เอาไปแต่เห็นไหมเราจะมีประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อเทวทิวดาอินพรมยมยักษ์นาคูดมนุษย์คนทางสรรพสัตว์ทั้งหลายใเป็นไร้ใจยนมนุษย์ทั้งหลายโดยการที่ เราสอนทำประพฤติธทำเสร็จเราสอนทำทุกครั้งทุกที่แทนที่เราจะไปเกิดใหม่ไปสอนคนอื่นเพื่อจะไปเกิดใหม่ไปสอนคนอื่นไปไปสร้างบา ร, รมีเราก็ไม่เอาแล้วเราก็พิจารณาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้อยู่สอนใครไปจนชั่วทุกข์กับทุกทการไม่ตายพระองค์ก็ดับไปหมดเนะี่ยอายุแปดสิบแล้วก็ดับขาดปณิพานพระ อ, อรหันต์พระแม่กูบาจารย์ก็ดับขับปณิพานหมดไม่ได้อยู่ต่อไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆโดยจะไม่ยอมที่จะไม่บรรลุปณิพานไป เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านเหล่านั้นเนี่ยทาประโยชน์คือสร้างคนไว้พวทุทธเจ้าก็สร้างคนไว้สร้างทาญาททางธรรมไว้พระแม่ครูบาอาจารย์ก็สร้างประโยชน์สร้างทางธรรมไว้ไม่มีใครเกิดแล้วเกิดอีกต้องเกิดแล้วเกิดอีกอย่างเงี้ยเพื่อจะไปช่วยใครไม่รู้จักจบสิน้นพระพุทธเจ้าพอที่สุดแล้วแปดสิบก็ไปเหมือนกันไม่อยู่หรอกเหลยอแต่ว่าสร้างทาญาททางธรรมไว้เมื่อตัวเองเ่ย รู้ทมเห็นทมก็สร้างถาา่ายยาธังทำต่อไปเมื่อเรารู้ทำเห็นธรรมแล้วก็จะสอนไม่ผิดก็เราเรารู้ทำเห็นธทมแล้วเราก็สอนไม่ผิดมันก็ได้ช่วยคนอื่นได้ถ้าเราไม่รู้ทำเห็นธรำแล้วก็จะสอนผิดพาคนอื่นผิดด้วยมันก็ข้ามภบข้ามชาตินำพากันไปแล้วเป็นบาปกรรมอีกพอเราเนาี่ยรู้ทำเห็นธทมแล้วเราก็จะสอนไม่ผิดนี้พอเราไม่บางทีมันฝืนไว้ว่าจะต้องให้มันจะพบชาติในปัจจุบัน สิ้นกิเลสิ้นกันหาให้จบพบชาติในปัจจุบันแต่บางทีมันมันฝืนฝืนที่จะไปมันก็ทีมันก็ทำให้สุขภาพย่ำแย่สุขภาพย่ำแย่แต่ชีวิตที่เหลือจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันจบพบชาติในปัจจุบันและปรจจนบันจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ประโยชน์เทียบเท่าใดอินพรมยมยะนาคุตมนุกนทานเขาก็สามารถได้ยินได้ฟังทำได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดเป็ประมาณก็สามารถที่จะยินทำได้ในฟังเสียงทำ ท, ที่สอนในแต่ละครั้งได้ทั้งหมดะเนี่ยแต่เขาจะพ้นทุกหรือไม่พ้นทุกหเหมือนมนุษย์เราเนี่ยฟังแล้วก็เขออา้าูซ้ายทะลุหูขวาบ้างเอีแต่บางคนฟังแล้วก็เข้าใจก็สามารถปฏิบัติได้มันก็เรื่องวัฒนาบา ร, รมีของแต่ละคนแต่เราก็สร้างทายาททางธรรมไว้เนี่ยสอนอยู่หลายปี เดี๋ยวเราตายแล้วคนหลายเาก็ช่วยสอนเน่ะคนที่อยู่ก็มีหน้าที่จะต้องสอนต่อไปพุทธเจ้าท่านดับคำนิพพานแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านก็สอนต่อๆมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหลายท่านเราก็มาช่วยสอนต่อสอนพวกท่านนลยเนี่ยเราก็พยายามเฟ้นหาคนที่มาช่วยเมื่อเราตายแล้วจะได้ช่วยคนอื่นต่อไปจากเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะได้สร้างโลก ต่อต่อกันไปอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัวเองก็ดับไปแล้วก็สร้างพายาทางธรรมไว้แล้ตัวเองก็ดับไปทิ้งไปแบบเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของพุทธเจ้าและพระหลานทั้งหลายถ้าก็ทําอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ปานาที่จะเป็นไหวใจเกิดเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านแปดสิบก็ไปแล้วดับไปแล้วพระทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดับไปหมดแล้วเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอาหารหันต์พระหลานหลายท่านที่เราเคารพนับถือล้วนแต่ดับไปหมดสิทธิ์แล้ว เพรนั่นเนี่ที่เหลือก็มีน้อยนักเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันช่วยปฏิบัติหน่อยช่วยนำหลักทำคำสอนที่สอนไปประพฤติปฏิบัติหน่อยอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาท <Okay. S 1> เราก็ทุ่มเทจนสุดกำลังความสามารถของเราเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทุ่มเทจนสุดกำลังความสามารถเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วไม่ช้าแล้วคงตาย พุกท่านทั้งหลายก็ช่วยกันประพฤติปฏิบัติหน่อยจะมัวประมาทมันจะได้รู้ทำเห็นทำก็เจทำจนรู้แจ้งในธรรมแล้วบรรลุปณิพพานไปจะได้ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือโลกก็ช่วยเหลือมนุษย์ทุกใดผมจะนำคุณมนุกุลท่านสัระสัตทั้งหมดไม่ได้ ส, สัตย์เดชานเปิดอาสุรกายก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็แผ่เขาทุกวันเนี่ยด้วกุศลบุญมีคุณงาความดีที่ทำไว้แล้วทั้งหมดเนี่ย ก, ก็แผ่ให้เขาทุกวันนี่นเรียกว่า ก็กูลโลกทั้งสอนด้วยทั้งแผ่เมตตาด้วยต้องปรารถนาให้เข้าใจดีมีทุกคนเจอกับกทุกยากลาบากรัางกายและใจช่วยกันหน่อยอย่าช่วยประมาทช่วยก็คืออย่าประมาทให้ช่วยปฏิบัติกันหน่อยให้เดินในทางแห่งความเจริญอย่าเดินในทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเจริญก็คือได้แก่กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่คุกคีหมู่คณะสํารวมวิตามินซี ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะปล่อยให้เพลินไปทางตาดูแต่หนังดูแต่ละครเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ดูแต่อะไรอะไรในคอมพิวเตอร์นี้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมันเยอะแยะมากมายเพลินไปวันๆหนึ่งอะทางเพลินทางตาเพลินทางหูเพลินในจมูกเพลินทางลิ้นเพลินทางกายเพลินทางใจปล่อยให้คิดนึกเปิดเพลินเจริญไปในอดีตบั่งในอนาคตบั่งไปหาคนนั้นหาคนนี้บ้าง ใจไม่อยู่กับตัวอย่างเนี้ยไม่สํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลินกายใจอืมไม่สํารวมอินทรีย์มีฮิริอัตตะปะละอายแก่ใจแกงกลัวต่อบบัปทั้งการคิดการพูดการกระทําในที่รับและที่แจ้งให้มีความละอายแก่ใจว่าการคิดการพูดการกระทําอย่างเนี้ยโลกกวัตฉะไหมถ้าโลกเขารู้เขาตมิตรติเตียนไหม ตัวของตนเองอ่ะตำหนิติเตียนตนเองได้ไหมถ้าเราคิดเราพู ด, ดรเราก็แอบคิดแอบพูดแอบกระทําอย่างเนี้ยหรือไม่ต้องแอบก็พูดออกไปเลยหรือกระทาออกไปเลยอย่างเนี้ยตนของตนเองตำหนิตัวเองได้ไหมถ้าตนเองของตระกูลตำหนิตัวเองไม่ได้บางทีเราวินิจฉัยแล้วบอกว่าเรากระทาไปแบบนี้ไม่มีอะไรน่าตำหนิเราอาจจะวินิจฉัยเอ็เอียงเข้าข้างตัวเองแล้วก็พพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่า ถ้าย่างงั้นลองอาโลกกวัต ช, ชะเอาโลกมาดูสิว่าสังคมเขาตาหนิติดเตียนเราได้ไหยถ้าเราทําแบบนี้คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้กระทาอย่างนี้รู้ว่าเราแอบคิดอย่างนี้ในใจกับคนอื่นเนี่ยถ้าโลกเขารู้เนี่ยเขาจะตําหนิติดเตียนได้ไหมถ้าโลกตําหนิติดเตียนได้ต้องละเสียเพี้ยนละไปให้หมดจากใจละไปละไปละไ ป, ะไปจนสิ้นที่จะถูกตําหนิติดเตียนได้ต่อไปอา้าวถ้าเกิดบอกว่า โลกก็ไม่ติดเตียนไม่แน่ใจ พ, พุทธองค์ก็ยังเหนือขึ้นไปอีกคือพระพุทธเจ้าพระอริษสงพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านล่วงรู้จิตใจของเราเนี่ยตําหนิติดเตียนได้ไหมถ้าพระพุทธเจ้าพระอกริษสงพระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านล่วงรู้จิตใจของเราตําหนิติดเตียนได้วเวลาแอ บ, บคิดแอ บ, บพูดแอ บ, บกระทําอย่างเนี้ยหรือพูดกระทําในที่แจ้งเลยจริงๆ แล้วรพระองค์สามารถติเตียนได้ตําหนิติเตียนได้อย่างนี้เราก็ต้องเลิกเสียทันทีละพฤติกรรมอย่างนั้นไปอย่างนี้ถ้าเป็นผู้มีหฮลิโอตาปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่บาบอย่างเนี้ยยังไงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันต้องเกิดขึ้นแน่เป็นผู้ใจิตเจใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่เหลือนั้นก็เพียนให้ได้จริงๆเพียน ทำให้ได้อย่าทุกข้อที่กล่าวมาแล้วเพียนปฏิบัติตามที่เราสอนหน่อยเพียนปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าพระอริยะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์และที่เราพยายามเพี้ยนสอนเพี้ยนบอกเพียน again, ยช่วยปฏิบัติหน่อยให้ตอ่อเนื่องไม่ขาดสายเราสอนหลายวันแล้วก็ยังเหมือนเดิมสอนหลายที่ก็ยังเหมือนเดิมฟังแล้วก็เออฟังเจออาจารย์แล้วสบายใจเจออาจารย์แล้วสบายใจแต่ไม่ได้นําไ ป, ปพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ผลอะไร ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงจะได้เป็นประโยชน์ต่อตอนคือตัวเองพ้นทุกข์และเป็นประโยชน์ต่อท่านเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทำมนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดเราจะได้เป็นประโยชน์เนะี่ยให้นึกถึงประโยชน์คนอื่นด้วยอย่าเอามีแต่ประโยชน์ตนวุ่นวายแต่เรื่องส่วนตัวจุกจิกจุกจิกจุกจิกคนนั้นคนดีคนนั้นคนนี้ยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องครอบครัว ไม่เลิกลาสอนเท่าไหร่ก็ยุ่งวุ่นวายไปเรื่องครอบครัวอยู่นั่นแหละยุ่งวุ่นวายแต่ตัวเองนลยเนี่ยจุกจิกจุกจิกเธอว่าอย่างนั้นเธอพูดอย่างนี้งอนไปงอนมางอนไปงอนมาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรเลยก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่จะช่วยเหลือโลกช่วยเหลือผูอื่นแล้วก็เลยไม่ช่วยตนเองด้วยยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องตัวเองวุ่นวายแต่ยุ่งนั้นแ่ะจุกจิกจุกจิก จนอายุก็มากแล้วใกล้าตายแล้วไอ้อย่างนี้ยังไม่จบเลยแล้วที่สอนมาลสอนมายเรื่อยๆแต่อย่างนี้มันก็ยังไม่ปล่อยไม่วางเคยเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วใครจะช่วยได้อย่างนี้นะเราต้องช่วยตัวเราเองช่วยหน่อยช่วยนําคําสอนเนี้ยไปปฏิบัติหน่อยอให้เดินในทางแห่งความจเจริญอย่าเดินในทางแห่งความเสื่อม ทางแห่งความเสื่อมมันก็ตรงข้ามกับทางแห่งความเจริญ น, นั่นแหละถ้าเราไปแตะทางแห่งความเสื่อมมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆให้ช่วยหน่อยช่วยฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติตลอดเวลาอย่าเอาแค่ใจสบายนี่นะให้ประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวว่าเราแก่แล้วก็บ่นเป็นคนขี้บ่นมากขึ้นทุกวันเมื่อก่อนนี้ไม่บ่นอย่างนี้อ่า ก็รตรงนี้นะนึกอธิษฐานเข้าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกประโยชน์ศาสนานะจอิงีอธิษฐานที่เจดีก็ได้นึ่ิที่เจดีตสงบใจอธิษฐานนะปฏิฐานเข้าก็แล้วกันมีหรือไม่มีก็ปิกานเานาะ